พวกเรามาวัดมาทาบุญกันเพราะ mm hmm. เรามีสองส่วนเรามีร่างกายแล้วเราก็มีจิตใจร่างกายเราได้ดูแลครบบริบูรณแล้วมีข้าวกินมีน้ำเดืมมีเสื้อผ้ามีอะไรร่างกายอยู่สุขสบายแต่ใจของเรานี้ ยังไม่สบายเหมือนร่างกายใจเราจะสบายก็ต่อเมื่อเรามาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทําบุญทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาทําใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าภาวนาแล้วใจของเราก็จะได้รับการดูแลใจ เหมือนร่างกายต้องได้มีการดูแลด้วยที่เรามาวัดนี่เรามาดูแลใจใจก็เหมือนร่างกายถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะเดือดร้อนแต่ใจนี่สำคัญกว่าร่างกายเพราะใจนี่มีอายุยืนยาวนานไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันตายร่างกายนี้เลี้ยงดูอย่างไรดีขนาดไหนก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ยังอยู่ต่อถ้าใจได้รับการดูแลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใจก็จะอยู่อย่างมีความสุข ใจก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับใจของเรานี่ยังเจริญไปได้อีกหลายขั้นด้วยกันตอนนี้ใจเป็นขั้นของมนุษย์แต่ยังมีขั้นที่เหนือมนุษย์คือท่านขั้นเทพขั้นพรหมแล้วก็ขั้นพระอริยเจ้าท่านนี่คือความเจริญของจิตใจที่เราจะได้รับ ถ้าเราได้มาทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าใจเราก็จะตกต่ําความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นไปถ้าเราไม่ทําบุญทําทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาใจของเราก็จะตกต่ําตกเบลสู สภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์มนุษย์นี้มีมีมีส่วนที่จะเสื่อมลงไปได้อีกจากมนุษย์ก็ไปเป็นเดราชาญจากเดราชาญก็ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ไม่เหมือนกับร่างกายของพวกเรา ร่างกายของพวกเราเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็หายไปหมดไม่มีใครจำได้รู้จักได้คนที่ตายไปแล้วเมื่อร้อยปีสองร้อยไปมานี้แทบจะไม่มีคนรู้จักแนละ้วเพราะร่างกายมันเปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เท่าไปแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นเหมือนร่างกาย ร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตายไม่ล่มสลายไม่หายไปใจก็ยังอยู่ต่ออยู่แบบสูงขึ้นหรือต่ําลงอยู่แบบสุขมากขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นจะสุขมากขึ้นจเจริญมากขึ้นก็อยู่ที่การทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสามขั้นตอนนี้ทำบุญทําทานรักษาศีลภาวนา ก็จะทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นทำให้ใ จ, จเจริญสูงขึ้นถ้าไม่ทำตามคำสอนไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลทำแต่บาปไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตไม่อบรมจิตใจให้สงบให้ฉลาดก็จะตกต่ำจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปนรก แล้วก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะไปเป็นอะไรเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เพราะสิ่งที่ส่งให้จิตไปเป็นมนุษย์ให้ส่งให้จิตไปเป็นเปรตเป็ น, เ, ปนเดรัจฉานมันก็เหมือนน้ำมันรถยนต์เมื่อมันหมดมันก็จะทำให้รถยนต์วิ่งต่อไปไม่ได้เมื่อบุญหรือบาปส่งให้จิตไปสูงหรือไปต่ํพาพอบุญบาปหมดก็ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่จะทำบุญหรือทำบาปจะทำทานรักษาศีลหรือภาวนาหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีใครสอนหรือไม่หรืออยู่ที่มีนิ ส, สัยไปทางไหนถ้าเราเคยทำอะไรแล้วมันมักจะติดเป็นนิ ส, สัยไปเช่นเรา เคยใช้มือไหนมือซ้ายหรือมือขวานี้เราก็จะติดเป็นนิสัยไปถึ่ไม่ว่าร่างกายนี้ตายไปเอาได้ร่างกายใหม่ก็จะใช้มือมือที่เราเคยถนัดใจถ้าเราเคยถนัดใช้มือขวาเราก็จะใช้มือขวาต่อไปถ้าเราถนัดใช้มือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้ายต่อไปเช่นเดียวกับถ้าเราถนัดทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาต่อไปถ้าเราไม่เคยทำบุญทำทานรักษาศีลเราก็จะไม่ทำถ้าเราเคยทำบาปเราก็จะกลับมาทำบาปถ้าเคยดื่มสุราก็จะกลับมาดื่มสุราถ้าเคยรักขโมยก็จะรักขโมยถ้าเคยประพฤติผิดประเวณีก็จ ะ, ะพฤติผิดประเวณี ถ้าเคยโกหกก็จะโกหกถ้าเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะฆ่าอันนี้มันติดมากับใจไปกับใจแต่เปลี่ยนได้ถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่เขาสอนให้เราไม่ทำบาปเราเคยทำบาปพออยู่กับครอบครัวที่เขาสอนไม่ทำบาปเราก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยของเราได้ เช่นเดียวกับคนที่เคยทําบุญถ้ามาอยู่กับครอบครัวที่ทําบาปเขาก็จะสอนให้ทําบาปเฉะนั้นเรื่องของนิสัยนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้อบรมสั่งสอนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นิสัยนี่คือเรื่องจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ที่ไปรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วพอตายไปก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปเป็นอย่างนี้มาอยู่เป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่านานสักเท่าไหร่ก็ให้คิดถึงน้ำตาที่เราที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาติ ถ้าเอาน้ำตาที่เราหลังนี้มารวบรวมกันแล้วเนี่ยมันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเคิดดูว่าเราจะต้องมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากกว่านในน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเป็นอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด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 ไม่ให้ต้องกลับมาทุกอย่างที่เราทุกกันอยู่ทุกภพทุกชาติทุกวันวันวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์แล้วไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับคนนั้นไม่คนนั้นกับคนนี้ไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้มีเรื่องให้ทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักวิธีทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราจากการสร้างความทุกข์กลับมาเป็นการสร้างความสุขกันทำบุญก็เป็นการสร้างความสุขรักษาศีลก็เป็นการสร้างความสุข ภาวนาก็เป็นการสร้างความสุขเป็นการาหยุดความทุกข์สร้างความสุขแล้วก็หยุดความทุกข์ถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาก็จะมีแต่สร้างความทุกข์แล้วก็สร้างภพสร้างชาติต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าได้ทําบุญทําทานได้รักษาศีลได้อบรมจิตใจด้วยการภาวนานั่งสมาธิทําใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าให้เราเห็นว่าสิ่ ง, งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นมันเป็นความทุกข์เพราะสิ่ ง, งต่างๆที่เรา คิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันให้ความสุขไม่นานมันไม่เที่ยงเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมไปหมดไปพอมันหมดก็ทำให้เราเสียใจแทนที่จะเกิดความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ไปเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขกัน แต่พอสิ่งที่เราได้มามันใช้ไม่ได้แล้วมันเสียแล้วมันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจอันนี้คือเรื่องราวของการมาเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อที่จ ะ, ะสร้างความสุขให้กับใจและหยุดความ หยุดความทุกข์ด้วยการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดกหยุดไปเกิดเพราะถ้าไปเกิดแล้วมันก็จะต้องทุกข์เกิดแล้วพอออกจากท้องแม่ก็ทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดออกมาจากท้องแม่แล้วหัวเราะยิม้มมีแต่ร้องไห้กันทุกคนแสดงว่าทุกข์แล้วทุกข์เพราะต้องหายใจอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจ อาศัยลมหายใจของแม่อาศัยอาหารของแม่แต่พอออกจากท้องแม่มานี้ต้องหายใจเองนะต้องกินอาหารเองนะ<ม>เวลาหิวก็ร้องนะแต่เวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่มีไม่มีคำว่าหิวเพราะมันมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแต่พอออกมาจากท้องแม่ไม่กี่ชั่วโมงก็ร้องแล้ว ร้องว่าหิวล้วหิวน้ำนะตอนตอนแรกก็หิวอากาศก่อนหิวลมก่อนออกจากท้องแม่มาก็ต้องหายใจเอ ง, งการหายใจนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วการต้องกินน้ำดื่มน้ำก็ต้องเป็นความทุกข์แล้วการกินอาหารก็ต้องทุกข์ละเวลาหิวก็ต้องกินอาหารหิวน้ำก็ต้องดื่มน้ำ ถ้าไม่หายใจก็ตายการเกิดนี่มันเป็นความทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเลยอันนี้คือเรื่องของพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีหยุดการเกิดกันรู้แต่วิธีเกิดแต่ไม่รู้วิธีหยุดการเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาเกิดนี้วิธีที่ทำให้มาเกิดนี่คืออะไร สิ่งที่ทำมาให้มาเกิดนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้กัน mm. ต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้น mm. คนเดียวเท่านั้นเองใน mm. ในในโลกนี้ในโลกนี้มีคนกี่พันล้านคนเนี่ยมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นเองคนที่รู้ว่าจิตใจของเรานี้ตายไปแล้วไปไหน ตายไปแล้วไปสวรรค์ไปนรกแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็รู้ว่าอะไรทำให้มาเกิดใหม่แล้วก็รู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เราพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า ถึงไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวของพระพุทธเจ้าเองแต่ก็ได้เจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แล้วได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้สามารถมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายใจนี้ถึงแม้ไม่ได้เกิดนี่ไม่ได้หายไปไหน ใจก็ยังอยู่เหมือนกับตอนนี้ใจของพวกเราก็อยู่แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นใจของพวกเรานี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายร่างกายนี้มันมีรูปร่างเราเห็นร่างกายแต่เรามองไม่เห็นใจยังใจนี้กับร่างกายมันไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจะอยู่ได้อย่างไร ก็คิดดูตอนที่นอนหลับก็แล้วกันตอนที่นอนหลับก็เหมือนกับไม่มีร่างกายตอนนั้นใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ใจก็ยังอยู่ได้ใจยังเที่ยวได้เที่ยวด้วยความฝันเวลานอนหลับเราก็ฝันว่าเราเที่ยวไปที่นั่นที่นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจใจ สามารถที่จะไปเที่ยวไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใจคิดขึ้นมาแล้วมันก็ความคิดก็จะพาให้ไปที่ต่างๆได้ mm. เะฉะั้นการที่ไม่มีร่างกายนี้ mm. ดีกว่ากมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วก็ต้องเป็นภาระเลี้ยงดู ยังดูดีขนาดไหนก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอภัยต่างๆเราอยู่กันทุกวนันนี่เราหวาดกลัวไหมเวลาไปไหนมาไหนกลัวภัยต่างๆหมหกลัวภัยจากคนไหมกลัวภัยจากธรรมชาติไหมกลัวภัยจากสิงสาราสัตว์มีภัยต่างๆรอบตัว อยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างความหวาดระแวงหวาดกลัวถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาคอยดูแลร่างกายไม่ต้องมาหวาดกลัวกับภัยต่างๆฉังนั้นการเกิดไม่ดีการไม่เกิดดีกว่าการไม่มีร่างกายดีกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่นะแต่อยู่แบบไม่มีร่างกาย ภาษาพวกครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ที่ตายไปแล้วท่านก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายเ<ม>พราะท่านรู้จักวิธีหยุดการเกิดได้เ<ม>พราะท่านรู้ว่าการเกิดนี้มันไม่ดี<ม>เกิดแล้วมันทุกข์<ม>ถ้าจะไม่อยากทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น<ม>ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ล้วจะทํายังไงให้หยุดการเกิดได้การจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องทำสามขั้นนี่แหละทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาอบรมจิตใจทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้ใจมาเกิด ให้รู้ว่าอะไรที่จะหยุดการเกิดได้พอรู้แล้วก็ทำมันไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่มีบันรู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะกอดมาแล้วเราก็จะดิ้นกันไปตามสภาพตามเหตุการณ์ ตอนต้นก็ดิ้นไปกับการเลี้ยงดูร่างกายพอร่างกายอยู่ได้แล้วก็ดิ้นไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พออยู่เฉยๆไม่เป็นสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะสุขสบายแต่ใจก็ไม่สุขใจก็ดิ้นไปหาความสุขแต่ความสุขที่ดิ้นไปหามันก็เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ได้อะไรมาก็สุขแล้วเดี๋ยวพอเสียไปก็ทุกข์อันนี้แต่มองไม่เห็นกันไม่เคยคิดกันว่าทุกสิ่งที่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ที่จะให้ความสุขกับเรานะั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปพะมันจะหมดไปมันจะเปลี่ยนไป จากดีกลายเป็นไม่ดีไปอันนี้ไม่เคยคิดกันคิดแต่ว่าดีเห็นอะไรชอบได้มาแล้วดีมีความสุขแต่ไม่ดูว่าต่อไปมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไปตลอดหรือเปล่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างมันต้องเก่าของใหม่มันจะกลายเป็นของเก่าไป ของดีก็จะต้องกลายเป็นของเสียไปของเกิดก็จะต้องกลายเป็นของดับไปของที่เจริญก็จะต้องกลายเป็นของเสื่อมไปพอเวลามันดับมันเสื่อมมันก็เปลี่ยนจากสุขกลายเป็นทุกข์ไปนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยอบรมสั่งสอนจิตใจถ้าเราจะมีความสุขจริงๆ ความสุขจริงๆของเราอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่การทาใจของเราให้สงบการจะทำใจให้สงบเราก็ต้องมีเวลามาควบคุมใจถ้าไม่ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบมันก็ไม่สงบใจของเรานี้มันจะคิดของมันไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นมาจนถึงบัดนี้เราหยุดคิดกันเรือยงเคยหยุดคิดกันไหม ไม่คิดเรื่องนั้นก็คิดเรื่องนี้คิดแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความอยากบ้างเกิดความพอใจบ้างเกิดความไม่พอใจบ้างอยากก็ทุกไปแบบหนึ่งไม่พอใจก็ทุกไปอีกอย่างหนึ่งทุกจากความคิดของเราเองแล้วอยากก็จะทําให้เราต้องไปหาสิ่งที続続่เราอยากได้ ้านจะหาสิ่งที่เราอยากได้เราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้ถ้าร่างกายตายไปก็ไปไม่ได้พอร่างกายตายก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่เขาสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็ไปครอบครองทันทีแล้วพอออกจากท้องแม่มาเราก็ เลี้ยงดูร่างกายให้มันตตพอมันสามารถทําอะไรตามที่เราสั่งได้เราก็สั่งให้มันพาเราไปไปทําตามความอยากต่างๆนี่แหละเ ป, เป็นเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากของเราเนี่ยพอคิดแล้วมันก็อยากคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากดื่มคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากดูคิดถึงเพลงก็อยาก ฟังคิดถึงแฟนก็อยากจะมีแฟนขึ้นมา uh huh. นี่การจะได้อะไรตามความอยากก็ต้องมีร่างกาย uh huh. ถ้าไม่มีร่างกายก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ถ้าร่างกายนี้ตายไป uh huh. ความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกาย uh huh. ความอยากไม่มีวันตายตราบใดที่เราคอยสนับสนุนมัน uh huh. เหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกแล้วเราถ้าเราหมั่นลดน้ำอยู่เรื่อยๆมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากให้ต้นไม้ที่เราปลูกให้มันตายเราก็อย่าไปลดน้ำถ้าเราไม่ลดน้ำเดี๋ยวมันไม่มีน้ำมันก็ตายความอยากก็เหมือนกันมันจเจริญเติบโตด้วยน้ำอะไรก็ด้วยการกระทำตามความอยากพออยากทาอะไรก็ไปทำ ควาอยากทําอะไรใหม่ก็จะกลับมาก็จะเพิ่มขึ้นอีกเช่นสูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่ก็สูบพอสูบเสร็จเดี๋ยวก็อยากจะสูบมวนใหม่ขึ้นไปสูบกี่มวนก็มันก็จะเพิ่มความอยากขึ้นไปเรื่อยๆความอยากสูบไม่ได้หมดถ้าอยากจะให้ความอยากสูบบุหรี่หมดก็ต้องไม่สูบเท่านั้นเวลาอยากสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบ ทุกครั้งที่อยากจะสูบ ก, ก็ไม่สูบเดี๋ยวความอยากก็จะหายไปนี่คือวิธีแก้ความอยากต้องแก้ด้วยการไม่ทําตามความอยากแต่มันทํายากเพราะอะไรเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ทํามันจะตายให้ได้มันจะลงแดงเขาเรียกลงแดงมันจะเครียดมันจะอึดอัดมันจะรู้สึกทรมานใจมาก พระพุทเจ้าจึงต้องสอนวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่เครียดไม่ทารมานใจเวลาที่เราจะไม่ทําตามความอยากก็คือให้เราหัดทําสมาธิหัดทําใจให้สงบถ้าเราทําใจให้สงบแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่ทําตามความอยากได้แล้วถ้าใจมันจะเครียดจะอึดอัดเราก็ทําให้มันหายได้ถ้าเราทําสมาธิเป็น พอใจจะอึดอัดขึ้นมาเราก็ทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาใจก็จะหายอึดอัดแล้วก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากต่อไปความอยากนั้นก็จะหมดไปนี่คือวิธีที่เราจะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอความอยากหมดแล้วทีนี้เราก็สบาย อยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนกันก็เดือดร้อนตอนที่เรามีความอยากตอนไหนที่ไม่มีความอยากเราไม่เดือดร้อนกันเราอยู่เฉยๆได้แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาอยู่เฉยๆไม่ได้จะ ต, ต้องไปทำตามความอยากพอทำแล้วมันก็จะต้องทำไปเรื่อยๆ เพราะเราไม่รู้วิธีหยุดความอยากแต่ตอนนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเราได้เรียนรู้แล้วว่าวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากแล้วเวลาที่ไม่ทำตามความอยากความอยากมันรู้สึกทรมานใจเราก็ไปทำสมาธิกันทำใจให้สงบกันไปพุโทโธพุโทโธนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธ อย่าให้คิดถึงสิ่งที่เราอยากทำํำพอเราไม่คิดเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วความอยากก็จะหายไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจเพราะว่ามันโผล่ขึ้นมามันก็ไม่ได้รับการตอบสนองมันอยากเราก็ไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็หายอยาก หาอยากแล้วก็สบายไม่ต้องไปดิ้นลนกันทุ่วันนี้ที่เราต้องดิ้นรนกันก็เพราะความอยากนี่อยากได้อะไรก็ต้องไปดินน้นนนหาสิ่งที่เราอยากได้ต้องหาเงินมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้เห็นของในร้านเห็นรถยนต์อย่างนี้อยากได้รถยนต์ไม่มีรถยนต์เงินยังไม่พอต้องทำยังไงก็ต้องไปหาเงินมากัน พอได้เงินมาก็ได้ซื้อรถยนต์ก็มีความสุขไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวรถยนต์เสียก็ปวดหัวอีกแล้วทุกข์อีกแล้วต้องหาเงินมาซ่อมอีกแล้วหรือขับรถไปเดี๋ยวเติมน้ามันน้ำมันหมดก็ต้องมีต้องหาเงินมาเติมน้ำมันอีกอถ้าเราทำตามความอยากแล้วมันจะมีแต่ความอยากต่างๆตามมา อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาไหนที่เราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจนี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขกันวิธีหาความสุขต้องหาด้วยการไม่ทำตามความอยากเวลามันอยากเราอย่าไปทำมันถ้ามันทรมานใจก็ไปนั่งสมาธิ ฝึกสมาธิหัดทำสมาธิให้ได้ถ้าทำสมาธิได้ใจสงบแล้วจะไม่ทรมาใจไม่ต้องไปทำตามความอยากระงับความอยากได้หยุดความอยากได้แล้วต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่กลับมารบกวนใจดังนั้นถ้าเราอยากจะไปซื้ออะไรถ้าอยากจะทำให้ความอยากซื้อของหายไปก็ เอาเงินที่อยากจะซื้อของไปทำบุญแทนเอาเงินไปทาบุญทำทานที่ไหนก็ได้ทำบุญทำทานที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลที่สถานคนชราทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับพี่กับน้องก็ได้ทำกับคนที่เขาเดือดร้อนเพราะจะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมา ดีกว่าความสุขใจที่ได้จากการทำบุญทำทานนี่จะเป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขใจที่ได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆเพราะการทำตามความอยากได้ความสุขแต่ไม่อิ่มทำทาตามความอยากแล้วมันหิวมันอยากจะทำอีกแต่ถ้านำเอาไปทำบุญทำทานแล้วมันจะอิ่มมันจะอยู่เฉยๆได้มัน จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านได้ต่างกันตรงนี้ถ้าเอาเงินไปทําบุญทําทานจะให้ใจอิ่มใจสุขแต่ถ้าเอาเงินไปทําตามความอยากมันจะทำให้ใจสุขเดียวเดียวแล้วก็จะทำให้ใจหิวอยากขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีใช้เงินที่ถูกต้องถ้าเรามีเงินเหลือจากการที่เราใช้ ในการเลี้ยงดูร่างกายของเราก็ให้เอาเงินที่เราอยากจะไปซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทําบุญแทนอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนกระเป๋าใบเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้ใบเก่าไปดีกว่าซื้อกระเป๋ามาแล้วมีกระเป๋าสองใบแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใบที่สามพอได้ใบที่สองแล้วเดี๋ยวเห็นใบ ใหม่อยู่ในร้านก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกได้ <Yeah. S 2> มากี่ใบก็ไม่พออยากไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> ถ้าไม่อยากจะมีความอยากซื้อกระเป๋าทุกครั้งที่อยากจะซื้อกระเป๋าก็เอาไปทําบุญแทนเ <Yeah. S 2> นี่ยนี่คือการทําบุญทําบุญเพื่อลดนับความอยาก <Yeah. S 2> เพื่อจะทําให้ใจเราอิ่ม <Yeah. S 2> ใจเรามีความสุขมีความพอ <Yeah. S 2> กับข้าวของต่างๆ ถ้าจะซื้อก็ซื้อด้วยความจำเป็นไม่ได้ซื้อด้วยความอยากเช่นถ้ามันขาดแคลนมันไม่มีใช้ก็ต้องซื้ออย่างนี้ก็ซื้อมาแต่จะซื้อเท่าที่จำเป็นถ้ามีแล้วก็ไม่ซื้อถ้าอยากจะซื้อก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วจะได้ความสุขมากกว่าเอาเงินไปซื้อของเอาเงินไปเที่ยว นี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำทานกันทำทานเพราะว่าเวลาเรามีเงินเหลือใช้เนี่ยเราอยากจะไปซื้ออะไรเพื่อคิดว่าพอเราคิดว่าซื้อมาแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เราไม่รู้ว่าเราเหมือนเราไปซื้อยาเสพติดกันยาเสพติดนี่เวลาเราซื้อมาเสพมันก็ให้ความสุขกับเราแต่พอยาหมดนี่มันจะให้ความทุกข์กับเรา เพราะเรายังอยากเสพต่อนั่นเองเราก็ต้องไปซื้อมาใหม่อีกซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็เสพหมดก็ต้องไปซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทรมานใจทุกทรมานใจแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราอยากจะซื้อยาเสพติดนี้ไปทาบุญเราก็จะไม่ติดยาเสพติดเวลาไม่มีเงิน เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่เฉยๆได้นี่คือเรื่องของการใช้เงินใช้เงินที่เป็นประโยชน์กับจิตใจก็ต้องใช้ด้วยการทำบุญทำทานหรือใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายก็เพื่อเอาซื้อของจาเป็นมาเลี้ยงร่างกายซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องซื้อพอประมาณอย่าซื้อมากเกินไปมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษขึ้นมาเช่นร่างกายถ้ากินมากเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้ามีน้ำหนักมากก็ความดันก็ขึ้นเบาหวานก็น้ำตาลก็ขึ้นไขมันก็ขึ้นถึงแม้ว่าจะเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องรู้จักเลี้ยงดูให้ พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเสียหายน้อยเกินไปร่างกายก็เสียหายต้องรู้จักพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วถ้ามีเงินเหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายอยากจะไปหาความสุขด้วยการใช้เงินก็ต้องเอาไปทำบุญทำทาน ถ้าทําบุญทําทานแล้วจะได้ความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีความทุกข์<ม>เพราะไม่มีความอยากมันจะหยุดความอยากใช้เงินใช้ทองกลับไปกับสิ่งอื่นๆได้อยากจะซื้อกระเป๋าก็เอาไปทําบุญนี่อไปความอยากซื้อกระเป๋าก็หายไปอยากไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยว น, นี้ไปทําบุญแล้วการอยากไปเที่ยวก็จะหายไป นี่คือวิธีขั้นที่หนึ่งคือการทำทานถ้าเรามีเงินทองจะใช้เงินทองซื้อความสุขให้ซื้อด้วยการทาบุญทาทานอย่าไปซื้อข้าวของอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปกินเอาไปดื่มมากจนเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นโทษมันไม่ได้กลายเป็นคุณการจะทำบุญเอาเงินไปใช้ทำบุญทาทานนี้เป็นคุณเพราะจะทำให้ใจเราอิ่ม ใจเรามีความสุขทำให้ความอยากน้อยลงไปแต่การใช้เงินนี้ไม่สามารถทำลายความอยากให้หมดไปได้มันทำให้มันน้อยลงให้มันเบาลงเพราะเราไม่สนับสนุนมันแต่มันยังไม่ตายจะทำให้มันตายนี้เราต้องมาหยุดมันหยุดมันด้วยการทำใจให้สงบนั่งสมาธิหยุดความคิด ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปดงั้นถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ควรที่จะไปหาเวลาไปหยุดใจกันไปหยุดความอยากกันด้วยการฝึกสมาธิกันการจะฝึกสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสติก็จะหยุดความคิดไม่ได้ สิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติงั้นจะหยุดความคิดก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสติถ้าอยากจะให้มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวใช่ไห้คิดอยู่กับคำพุโทโธพุโทโธไปเรือคิดอยู่กับบทสวดมนต์ไป เราะถ้าเราสวดมนต์ไปเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่สวดเราไม่พุโทโธเดี๋ยวเราก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ <c ets Quran> พอคิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากตามมาพอเกิด <c ets Quran> ความอยากใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะหงุดหงิดอึดอัดนำคาญใจขึ้นมาใจจะเดือดร้อนขึ้นมา ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเดือดร้อนไม่ให้ใจอึดอัดไม่ให้ใจเครียดเราก็ต้องอย่าให้มันอยากเราต้องหยุดความคิดนะถ้าเราไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ความอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีถ้าไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิน่งนี้ความอยากจะไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่มีดังนนถ้าเราอยากจะควบคุมความคิดควบคุมความอยาก เพื่อให้ใจเราสงบใจเราสบายไม่วุ่นวายไปกับความอยากต่างๆเราก็ต้องคอยควบคุมความคิดให้ได้ต้องหมั่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดอิติปิโสปากวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจรณนะสัมปันโนสุกตโลกะวิทูสวดไปเรื่อยๆสวดไปทั้งวัน ต้องมีเวลาว่างจากทําภารกิจต่างๆถึงจะมาฝึกสติได้มาสร้างสติได้ถ้าต้องทํางานมันต้องใช้ความคิดจะไปสวดมนต์ไม่ได้จะไปพุโทโธไม่ได้เพราะต้องคิดทํางานอยู่กับงานที่กาลังทําอยู่ฉะนั้นต้องมีเวลาว่างเช่นวันหยุดทางานอย่าเอาวันหยุดนี้ไปเที่ยวกันเช่นช่วงสงการนี้หยุดห้าวัน ถ้าไปเที่ยวก็จะไปหยุดความคิดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้หยุดพบหยุดชาติไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่วัดนี่จะหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้การไปวัดมันมีประโยชน์ตรงนี้การไปวัดเพื่อไปฝึกสติเพื่อไปหยุดความคิดหยุดความอยากเมื่อเราหยุดความอยากได้เราก็หยุด พบชาติได้ตัดพบชาติได้จากพบชาติที่เป็นจำนวนหลายล้านพบชาตินี้มาให้เหลือแค่เจ็ดชาติก็ได้ขั้นต้นก็เหลือเจ็ดชาติก่อนขั้นที่สองก็เหลือชาติเดียวขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังไปเกิดเป็นพรมอยู่พอขั้นที่สี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปตายพบนี้นอกจากพบของมนุษย์แล้วก็ยังมีพบของพรหมพรหมก็มีสองสองพบรูปประพรมกับอรูปประพรมนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้กับจิตใจของเราได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้มีเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องว่าเราควร เราเกิดมาแล้วนี่เกิดมาเพื่อเพื่อมาทำอะไรกัน เ, ออเกิดมาเพื่อมาหยุดความอยากกันเพราะถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ดีคือสิ่งที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาศึกษา เ, ออเราก็จะสร้างแต่พบชาติว่าเราจะคิดแต่ เรื่องนั้เรื่องนี้คิดแล้วก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาคิดถึงโทรศัพท์มือถือก็อยากจะได้โทรศัพท์มือถือคิดถึงรถยนต์ก็อยากจะได้รถยนต์คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปที่นั่นที่นี่คิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากนี่นี่คือความอยากต่างๆมันต้องมีความคิดเป็นตัวนำก่อนเหมือนกับเวลาเราเย็บผ้านี่ เราต้องมีเข็มเป็นตัวนําถ้าเราไม่มีเข็มมีแต่ได้นี่เราเย็บผ้าไม่ได้หรอกเพราะเข็มเพราะเพราะได้มันไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปในผ้าที่เราจะเย็บได้ไต้องมีเข็มกับได้ชั้นใดความอยากมันก็ต้องมีความคิดความคิดนี้เป็นเหมือนเข็มส่วนความอยากนี้เป็นเหมือนได้แต่ถ้าไม่มีเข็มได้ก็ไม่มี ไม่มีประโยชน์อะไรมีได้ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเย็บผ้าได้ฉันได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้พอไม่มีความอยากใจสงบใจก็มีความสุขเราก็จะรู้ว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองพอใจสงบแล้วมีความสุข ความอยากต่างๆก็หายไปอยากกินก็หายไปอยากดูก็หายไปอยากฟังก็หายไปอยากไปเที่ยวก็หายไปอยากไปซื้อกระเป๋ารองเท้าก็หายไปอยากทำอะไรต่างๆหายไปหมดถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้อันนี้แหละเป็นของวิเศษไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับการอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุข อเป็นเป็นวิธีหาความสุขที่สบายที่สุดที่สะดวกที่สุดที่ง่ายที่สุดอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นั่งเฉยเฉยก็มีความสุขได้เดินเฉยเฉยก็ได้เดินยืนนั่งนอนถ้าไม่มีความอยากก็มีความสุขได้ทุกทุกอิรยาบุเดินก็สุกนั่งก็สุขยืนก็สุกนอนก็สุกแต่ถ้ามีความอยากยืนก็ไม่สุกเดินก็ไม่สุกนั่งก็ไม่สุก นอนก็ไม่สุขนี่ลหละคือตัวปัญหาคือความอยากถ้ามีความอยากแล้วไม่มีความสุขแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนจะมีมากมีน้อยจะรวยจะจนใจะใหญ่หรือเล็กนี่ไม่มีความสุขกันทั้งนั้นถ้ามีความอยากอยู่ภายในใจอย่าไปหาความสุขด้วยการ มีความร่ำรวยเรื่อด้วยความเป็นใหญ่เป็นโตมันไม่สุขหรอกพอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขก็จะไม่มีมีแต่ความไม่สุขปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ไปยุ่งกับความอยากไม่ไปคิดถึงมันได้ใจเราก็จะไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจ อยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สุขั้นมาหัดทำใจให้สงบกันมาฝึกสติกันอย่เช่นเรามาอยู่วัดนี่เราอยู่ต้องอยู่คนเดียวอย่าไปยุ่งกันอย่าไปเกี่ยวข้องกันเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็ต้องคุยกันจะคุยก็ต้องใช้ความคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เผลอไปอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ชวนไปกินกันชวน เดี๋ยวคุยกันสักพักเดี๋ยวก็ชวนไปกินขนมกันไม่งั้นก็ชวนไปดื่มน้ํากันเดื่มน้ําชากาแฟกันอแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วคอยควบคุมความคิดได้จะจะไม่มีความอยากจะอยู่เฉยๆยังมีความสุขอย่างที่บอกเดินก็สุขนั่งก็สุขอทําอะไรก็สุขถ้าเรามีการควบคุมความคิดได้ ไม่ให้ใจคิดไปในทางความอยากได้ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกัน mm hmm. ถ้าเราอยากจะมีความสุข mm hmm. ไม่มีความทุกข์ mm hmm. ถ้าเราอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราต้องมาฝึกสติให้ได้ mm hmm. ถ้าเราฝึกสติได้เราจะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ต้อง กลัมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน อ, อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไม่ต้องดิ้นไปหาที่นู่นที่นี่อยู่อไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สุขหรอกไปพอพออยากไปอยู่ตรงนู้นพอไปถึงนู่นนั่นแล้วมันก็เกิดความอยากจะไปที่อื่นต่อแล้วพอพอมีความอยากจะไปที่อื่นต่ออยู่ตรงนั้นก็ไม่สุขอีกละเพราะมีความอยากแต่ถ้าเราอยาก ถ้าเราอยากจะไปตรงนู้นเราหยุดความอยากเสียตั้งแต่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปตรงนู้นให้มันเสียเวลาอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขแล้วถ้าเราหยุดความอยากได้หยุดความคิดได้เห็นถ้าเราอยากจะไปหาที่ก็ไปหาที่ที่จะทําให้เราหยุดความอยากได้ที่ที่จะทําให้เราหยุดความอยากได้ก็คือที่ที่จะให้เราอยู่คนเดียวได้ที่จะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจ ไม่มีอะไรมาคอยแย่มามาล่อจิตใจของเราให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความอยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองกนะารหาที่อยู่นี่ก็หาที่ที่จะทำให้เราสามารถสุกสติจเจริญสติไดนะ้ถ้าเราได้ที่แล้วเราอย่าอย่าไปที่อื่นให้เสียเวลานะพอไปถึงที่นั้นแนละ้วเดี๋ยวเกิดความอยากขึ้นมาก็อยู่ไม่ได้อีกแล้ว ยิง่งถ้าเราได้ที่ที่เราสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ฝึก ส, สติของเราได้ยกเว้นเวลาที่เราต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นวั น, ว, นวันหนึ่งเราก็ต้องมากินเวลากินก็ต้องทำอาหารร่วมกันหรือหาอาหารร่วมกันนับประทานอาหารร่วมกันแต่พอเราเสร็จกิจกรรมที่จำเป็นแล้วเราก็แยกไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคอยควบคุมความคิดด้วย การบริกรรมพุทธโธด้วยการสวดมนต์ไปทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเราจะหยุดความคิดได้แล้วความอยากก็จะไม่เกิดความไม่สบายใจก็จะไม่เกิดอยู่ที่ไหนก็จะสบายจะมีแต่ความสุขสุขเนาะสุขเนาะ อ, อยู่ตรงไหนก็สุขเพราะความสุขหรือไม่สุขมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากกัน ถ้าไม่มีความอยากใจก็จะมีแต่ความสุขถ้ามีความอยากใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีคือสิ่งที่เราไม่มีกันตอนนี้ก็คือสติที่จะมาหยุดความอยากเราก็เลยต้องวิ่งไปนู่นวิ่งมานี่อยู่ที่นี่ก็อยากจะไปที่นู่นพอไปที่นู่นแล้วก็กลับอยากจะกลับมาที่นี่ กิ่งไปติ่งมาอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่หยุดความคิดหยุดความอยากกันฉะนั้นขอให้เราไปทำหน้าที่อันนี้อย่าไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปนู่นมานี่กันให้หยุดความคิดกันหยุดความอยากกันด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย พอมันจะคิดก็พุดโธพุดโธพุดโธพุดโธไปคิดแข่งกับมันคิดพุทโธแข่งกับมันไปเดี๋ยวมันก็จะหายความคิดมันก็จะหายพอหายเราก็หยุดพุทโธได้เดี๋ยวพอมันจะคิดใหม่เราก็พุทโธขึ้นมาใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะควบคุมความคิดได้เหมือนกับรถเวลาที่มันวิ่งเราอยากจะให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกพอมันหยุดเราก็ปล่อยเบรกได้ พอมันวิ่งอีกเราก็เหยียบเบรกอีกใจเราความคิดเราก็เหมือนนยนตยนถ้าไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปได้เรื่อยถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปเรื่อยถ้าไม่อยากจะให้มันคิดเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกต้องคอยพุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหยุดพอความคิดหยุดความอยากก็หยุดพอความอยากหยุดความสบายใจก็เกิดขึ้นมา ความเบา อ, อกเบาใจความสุขใจก็เกิดขึ้นมาความหงุดหงิดลาคาญใจก็จะหายไปต้องหมั่นพยายามฝึกสติให้ได้สตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นต้องอยู่ที่การมีสตินี้เป็นเบื้องต้นพอเรามีสติแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องมีปัญญาปัญญาคืออะไรก็ต้องรู้ว่าความอยากนี้ไม่ดีปัญญานี้เราไม่มีเองเราต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้คงเป็นผู้ทรงค้นพบว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจไม่หดไม่อยากจะงหงดกิดใจลำคาญใจก็ต้องหยุดความอยากมอย่าไปทําตามความอยากยิ่งทําตามความอยากความอยากมันก็ยิ่งเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปหมดอันนี้คือปัญญาปัญญากับสติต้องมีสองอย่าง สติมีไว้หยุดความอยากปัญญามีไว้คอยเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะต้องอยากไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะทำให้เราทุกข์ใจต่อไปเพราะว่ามันจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปนี่คือวิธีที่เราจะสร้างความสุขให้กับใจพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลาดับ จากมนุษย์ก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอาริยะเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นพราะอารหันต์พอถึงขั้นพระอารหันต์แล้วก็ถือว่าได้พัฒนาอย่างเต็มที่แล้วถ้าเรียนหนังสือก็จบปริญญาเอกแล้วไม่ต้องเรียนอีกต่อไปพอได้ขั้นพระอารหันต์แล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตใจ ไม่มีพบชาติหลงเหลืออยู่ในจิตใจเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติเถิดรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังยลจะมีแต่ความสุข ความทุกข์จะหายไปหมดจากจิตจากใจการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหายไปหมดไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป<ม>ลเนี่ย<ม>การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวารีวาหาปุราปะเลปุเรนติสากหลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเเปุเรนโตสังกปาจันโทปันาหระโสยะธามณิโชติหระโสยะธาสัปีติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสสตุ มาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิธสานิจจังวุฒาปจายโนจตตารุธรมาวาทานเตอายุวันโอสุขังพาลัง เดี๋ยนี้วิง่งออกวิง่งออกกําลังกายปะวิวว่งสายพานปะวออ่ายน้ำ อ, อ่ากอยร่างกายต้องออกกําลังกายมันถึงจะแข็งแรง อ, อ่ถ้าใจก็นั่งนั่งสมาธินะอยากให้ใจแข็งแรงก็ต้องฝึกนั่งสมาธิออแล้วใจจะมีพลังอ อ, อ, อพลังใจนี้สําคัญกับพลังกายออพลังใจนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ้าใจไม่มีกําลังแล้วก็ไม่รู้จะไม่มีอะไรจะบอกให้ร่างกายทำอะไรก็ไม่ไหวไปหมดแต่ถ้ามีกําลังใจแล้วสั่งมันได้ทำทุกอย่างได้นี่ฝึกทั้งใจฝึกทั้งกายร่างกายก็ต้องดูแลรักษาให้สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจก็ต้องให้มันสมบูรณ์แข็งแรงด้วยการทำบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิดำใจให้สงบ แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะดับความทุกข์ต่างๆเวลามันเกิดขึ้นมาได้ น, นี่เป็นวิธีที่จะไม่มีทําความสุขทั้งสุขกายและสุขใจแล้วจะทำให้อายุยืนยาวนานไม่มีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ทาง YouTube ทางเ c e บุ๊ k วันนี้ Facebook สูงสุด413ค่ะ YouTube 70แล้วก็วิทยุ21ทั้งหมด504ค่ะ504ไม่ได้ไม่ได้นับข้างบนนี่ไม่ได้ข้างบนนี่50นะกว่า60ข้างบนนี้เนี่ยวันหนึ่งก็เดี๋ยวนี้มีคนติดตามฟังเทศอยู่ 5-600 คนทุกวันแล้วก็มีคำถามเข้ามาใครอยากจะถามคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได้เอาดูตัวอย่างมีคำถามอะไรบ้าง คำถามจากคุณวิจัยค่ะปัจจุบันมีพระเถระฝ่ายพระกรรมฐานถึงแก่มรณาภาพลงไปหลายลูกแต่พอท่านตายปุ๊บพวกพระคารวาดมักพูดว่าหลวงปู่รูปนั้นๆถึงอนุปฏิเศษสนิพานลูกเลยงงว่ามันเข้ากันได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยค่ะมันไม่ง่ายหรอกท่านบวชมาต้องหิบิปีท่านปฏิบัติอยู่ มันไม่ได้อยู่เฉยๆจะเข้าไปได้หรอกมันต้องอาศัยการปฏิบัติแต่เราองค์นี้ท่านปฏิบัติกันมาเป็นสิบบปีด้วยกันถึงจะเข้าได้ต้องบวชต้องนั่งสมาธิต้องอดทนเข้มแข็งต่อสู้กับติเลสตัณหาต่างๆถึงจะสามารถเข้าไปนิพพานได้คำถามจากคุณบีนา mm hmm. เมื่อมีการจัดงานศพที่วัด เราควรรับซองในงานศพหรือไม่คะถ้ารับเราควร น, นําเงินนั้นไปทําอย่างไรต่อคะก็ได้ทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่ที่ก็ไปร่วม ง, งานก็เพื่อที่จะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายที่ที่เกิดขึ้นในงานส่วนหนึ่งถ้าเหลือก็แล้วแต่เราเราจะไปทําบุญต่อก็ได้ทําบุญที่วัดที่เราเผาศพก็ได้หรือเราอยากจะทําบุญแบบอื่นก็เอาไปทําได้เอาไปแจกนักเรียนก็ได้เอาไปช่วยโรงพยาบาลก็ได้ อันนี้ก็เป็นการทาบุญหรือจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้เพราะมันก็เป็นของที่เขาให้เรามาเป็นของขวัญเหมือนงานแต่งงานเหมือนงานวันเกิดเนี่ยคนเขาก็ไปร่วมงานแล้วเขาก็ให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองมามันก็เป็นของเราที่เราสามารถที่จะเลือกเอาไปใช้ได้ตามความต้องการของเราคำถามจากคุณปัทมรภพย์ขอเรียนถามว่านั่งสมาธิแบบพุทธสุภาพกับ อาปาณาต่างกันอย่างไรครับถ้าพุทโทอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหายใจได้หรือเปล่าครับได้พุทโทอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้รวมกันก็ได้บางคนนั่งดูลมแล้วก็ว่าพุทเข้าเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทก็ได้ดังั้นแต่ละคนก็มีวิธีนั่งไม่เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดบางคนชอบพุทโทอย่างเดียวก็พุทโทไปอย่างเดียวบางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมไปอย่างเดียวนะ ได้ทั้งนั้นก็สสำคัญดูแล้วอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องการหยุดความคิดเพื่อให้ใจสงบสงบแล้วจะมีความสุขจะมีพลังคำถามจากคุณปีชาปฏิบัติอยู่ที่บ้านสามารถเข้าถึงพานิพานได้ไหมครับเวลาตายได้ทั้งนั้นน่ถ้าอยู่ถ้าถ้าฆ่ากิเลสได้ก็เข้านิพานได้ การเข้านิพพานก็คือการฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากต่างๆเองแต่ว่าอยู่บ้านมันฆ่ายากเพราะกิเลสมันเยอะแล้วเครื่องมือของกิเลสมันเยอะกว่าเราต้องไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยกิเลสมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนเราจะมีธรรมะธรรมะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนมากกว่าคนที่เขาไปนิพพานกันส่วนใหญ่จึงไปไปอยู่ในป่าในเขากัน พระพุทธเจ้าก็บรรลุนิพพานในป่าภาษาวกส่วนใหญ่ก็นิพพานในป่าันนไม่มีใครนิพพานในบ้านในเมืองน้อยมากอาจจะมีบ้างไม่ไม่กี่คนส่วนใหญ่แล้วต้องไปอยู่ในป่าในเขาเพราะมันง่ายกว่าหมดและะ้วค่ะแล้วเลยเเรื่องของการปฏิบัตินี่ถ้าอยู่บ้านนี่มันมีสิ่งที่จะมาคอยปลูกกิเลสให้เกิดขึ้นได้ง่าย มีตู้เย็นมีโทรทัศน์เนี่ยพอจะนั่งสมาธิพุโทโธได้สองคาเดี๋ยวหิวขึ้นมานะเดี๋ยวอยากดูขึ้นมาลนะนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าไปนั่งในป่ามันไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้โทรทัศน์ให้เปิดดูอยากก็ดูไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็พุโทโธ ต, ต่อไปเดี๋ยวใจก็จะสงบได้ค่ะคาระวาหลวงตาครับ หลวงตาครับในจิตในสํานึกเนี่ยเราใช้ตัวสติกํากับแมให้มันเกิดขึ้นไม่้สังขารมันปรุงแต่งได้แต่เวลาจิตใต้สํานึกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราใช้สติกํากับมันไม่ได้อยากทราบว่าตรงจุดนี้เราจะมีแนวทางการแก้ไขยังไงครับขอก อ, อเรียนเชิญอาจารย์ครับถ้าสติมีกําลังมากๆมันหยุดได้หมดตอนที่เราหยุดไม่ได้เพราะ สติเรามีกำลังน้อยต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรามีสติเต็มร้อยนี่เราหยุดทุกอย่างในใจได้หมดเลยกราบขอบพระคุณครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือนะส่งไม้ไปให้อขออนุญาตน้องกราบถามนะครับคือพอดีไม่มาไม่ทันฟังเทศแต่ว่ามีคำถามที่ติดค้างอยู่คือตัวกระผมเอง ปฏิบัติทำมาเป็นเวลาหกปีอย่างเข้มขน้นแต่พอยิ่งปฏิบัติไปมันมีบททดสอบที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นแล้วบางครั้งเข้าใจว่ามันก็คือบททดสอบที่มันละเอียดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวกําลังใจของตัวเองบางครั้งมันเริ่มถดถอยมันถอยแต่ว่าเด้วยกว่อนที่มันมีอุเบกขาอยู่มันก็สู้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องครับก็เลยอยากถามว่าวิธีจะทํายังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ ก็ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเดินจงมโกลฝึกจเจริญสติพิจารณาปัญญาสลับกันไปอยู่เรื่อยๆถ้าหยุดเมื่อไหร่กิเลสมันก็มันก็จะบุกเราได้ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะบุกกับบุกหาเราไม่ได้เราจะไล่มันเราจะต้อนมันแต่พอเราหยุดปฏิบัติมันก็จะต้อนเราเห็นต้องอย่าหยุดปฏิบัติพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆพิจนะารณาไตรลักษอยู่เรื่อยๆ ถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นมันก็จะบุกเราทันทีพอดีแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีคนมาหาก็เลยต้องมานี่ก็ทุกอย่างนี้เขาก็เป็นคนจัดมาทั้งหมดเราไม่ได้ทำอะไรกล้องถ่ายลูกกล้องเครื่องขยายนี่ก็รวบรวมสิทธ์ลูกหาก็สนับสนุนเราอยากจะให้มีมีการเผยแผ่จะถามเรื่องชันมากเราก็มีหน้าที่มานั่งเฉยๆแล้วก็ พูดไปบ่นไปบ่นให้<ะ> <laughs> บางคนก็ว่าด่าเม่างว่าดูด่าว่ า, า, ว า, า, วากล่าวไปอบ่นไป่ไ <laughs> ก็ต้องเรียนมาถ้าไม่เรียนธรรมะม า, ม, ามันพูดไม่ ไ, มได้มันก็เหมือนวิชาความรู้อย่างนีงง้ถ้าจะพูดเรื่องหมอก็ต้องไปเรียนหมอมาก่อน จะพูดเรื่องหมอได้ถ้าจะพูดเรื่องโรงแรมก็ต้องไปเปิดโรงแรมก่อนถ้าอยากจะถามเรื่องโรงแรมถามคนนี้ดูเอจะเปิดกี่สาขาเดี๋ยวนี้กี่สาขาแล้ว่ะห้าแล้วเห็นไหมคนเรารู้อะไรแล้วก็พูดเรื่องนั้นได้อย่างสบายอถ้าไม่รู้ให้ไปพูดมันก็พูดไม่ออกงั้นเรื่องธรรมาก็เหมือนกัน ก็เรียนมาปฏิบัติมาก็สี่สิบกว่าปีแล้วอยู่กับเรื่องธรรมมากมาทุกวันมันก็พูดถามีคําถามอีกไหมพระอาจารย์คะอยากจะเรียนถามนะคะดิฉันวันวิสาผ่องใสนะคะมาจากจังหวัดพิษณุโลก ค, คือเมื่อปีสามหกดิฉันได้มาปฏิบัติที่วัดยานนะคะแล้วตั้งแต่นั้นก็ตั้งใจปฏิบัติมาเรื่อยๆทุกปีละหนึ่งครั้งะคะ่ะ แล้วมาปีปี51นนะคะได้พบกับท่านสมเด็จพยานตรงสะน้ำนะคะตรงเจ้าที่นะคะแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยทำวัาเช้าเสร็จแล้วก็ลงไปไหว้เจ้าที่พบสมเด็จพยานท่าน่ะให้ชานหมากดิฉันไว้นะคะตอนนี้ก็เลี่ยมเอามาด้วยเนี่ยนะคะแล้วท่านให้ไว้ตอนปี5้านะคะตั้งแต่นั้นก็เหมือนทำอะไรก็สำเร็จชีวิตก็ดีขึ้นเพราะว่า ตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกอยากปฏิบัติตลอดชีวิตแต่เป็นระยะระยะอะไรแบบนี้ก็ยังมีภาระที่ต้องดูแลเด็กกําพร้าอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะถามว่าตอนนี้ที่ฌานมา ก, ก็ยังยังยังคกติดตัวตลอดเนี่ยนะคะแล้วอยากจะถามว่าวันนั้นไปถามแม่ชีสวนนะคะบอกว่าแม่ชีคะท่านสมเด็จให้ฌานมากดิฉันมาเนี่ยมันดียังไงคะ แม่ชีส่วนก็ตอบว่าท่านให้เนี่ยเพราะว่าปกติองค์สมเด็จท่านไม่ชอบฉันมากแม่ชีบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยมีเทวดาม า, มาถวายท่านท่านก็ให้คนที่สมควรได้ดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังไม่น่าจะสมควรนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนไม่เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบขาดหลายๆด้านไม่ว่าจะความรู้หรือว่าการสวดมนต์หรืออะไรต่าง มันก็เหมือนมีความปิติฮาตั้งแต่ได้ชานมากจากท่านก็ชีวิตก็ดีขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นหลายๆอย่างก็ดีขึ้นตอนนี้ก็มีความมุ่งมั่นว่าไม่แต่งงานนะะอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นก็ตั้งจิตว่าอยากจะมาที่วัดยานเนี่ยทุกๆสามเดือนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเมษาเนี่ยลูกก็ขอบอกว่ารถคันเก่าอะมันมันค่อนข้างขับแล้วมันก็กังวลก็เลยขอท่านว่า ถ้าอยากให้ลูกได้ปฏิบัติทุก3ามเดือนอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งนานเนี่ยลูกก็ก็ขอขอรถคันใหม่ซึ่งเที่ยวนี้ก็ได้ขับรถคันใหม่มาแล้วก็ตั้งใจที่จะมาปฏิบัติเนี่ยทุกๆ3ามเดือนอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะก็เลยอยากถามว่าชานมากมันเป็นยังไงคะยังไม่เคยได้เรียนถามใครเลยนอกจากแม่ชีส่วนนะคะ มีคำถามเท่านี้ค่ชานหมากใชไหมเป็นอะไรนะเป็นท่านให้เป็นชานหมากค่ะเออมันก็เป็นชานหมากก็คือเป็นอะไรหรออ่าอยากจะไม่ไม่รู้ว่าดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เรามจะมาเล่าอย่างนี้ได้ฟังไงล่ะอ๋อก็คือเหมือนที่เราได้มาแล้วเราทําอะไรดีขึ้นอะไรขึ้นก็ก็เป็นสิ่งที่ ที่ภูมิใจแล้วอ่าก็ดีแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเราก็แล้วกันอ๋อขอขอบพระคุณมากค่ะมีคำถามแค่เนี้ยค่ะแต่ชัญนหมากค่ากิเลสไม่ได้นะแต่ยค่ากิเลสกค่ากิเลสต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่างั้นอย่างั้นขอถามต่อได้หคะอ่าถามต่อก็คือว่าตั้งใจไว้ตอนนี้อายุหกสิบสามนะคะ จะไม่แต่งงานก็คืออยากจะมาทางทางธรรมก็คืออยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ก็บอกกับสมเด็จพยานที่ที่โบสว่าอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยหมือนไปเล่น a ฟ e b o o กนะคะก็เพื่อที่ตามข่าวตามดูเฟ e b o o k ของท่านเจ้าคุณเนี่ยคะ่ะก็ก็เลยหัดเล่น a ฟ e b o o k แล้วก็ไปเจอไปเจอชาวอินเดีย ซึ่งเขาก็คงจะมามาหลงรูปเรานะฮะแล้วเขาก็ตือ้อแล้วเขาก็เจาะข้อมูลอะไรต่ออไรนะฮะรู้สึกแบบมีความทุกข์มากนะคะเหมือนเหมือนลองใจเราเพราะเราก็บอกไปแล้วว่าเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบเราจะผ่านไปได้ไหมคะปีนี้รู้สึกแรงมาก๋ออยู่ ท, ที่อยู่ที่เราะ ถ้าเรามีปัญญามันก็มันก็ผ่านได้เนี่ยฮะหนูก็เลยมาเสริมปัญญาเนี่ยค่ะหนูก็คิดว่าหนูก็ก็คุยกับเขาชัดเจนนะคะแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็มาทางนี้แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ครับเออไม่ทราบว่าพระอรหันต์ในประเทศไทย ยังเหลือท่านไหนพาพรูปไหนบ้างนะครับอ๋อไม่มีการสํารวจหรอกอันนี้ต้อง ไ, ไ, ไปห า, เ อ, าเอ ง, องแล้วหลวงพ่อวิริยังท่านสําเร็จพระอาหารหันต์หรือยังนะครับถามกันเลยไปถามแล้วทำไมอของนี้เขาไม่บอกกันง่ายๆหรอกอย่าไปสนใจว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเลยสนใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นดีกว่า ถ้าไม่เป็นก็รีบทําให้เป็นนะอ่าขอทำขับเอ่อกาบเรียนพระอาจารย์ค่ะคืออยากทราบว่าในเรื่องของการตัดภพตัดชาติเนี่ยจะกระทําได้ด้วยการนั่งสมาธิจเจริญธรรนา<ช>เป็นหนทางอย่างเดียวใช่ไหมฝืนกับทานไม่พอไม่มีกําลังพ อ, อต้องใช้สมาธิกับปัญญาสองอย่างมสมาธิก็เหมือนกับถ้าตัดต้นไม้ ก, ก็ตัดต้นมันแต่มันยังไม่ตายยังไม่ได้ถอนราก ถ้าจะให้ต้นไม้ตายนี่ต้องถอนรากมันขึ้นมาโดยที่จะถอนรากได้ต้องเป็นปัญญาส่วนสมาธินี่ตัดต้นถ้าทาบุญทำทานรักษาศีลก็ตัดกิ่งตัดใบมันต้องตัดที่ของง่ายไปก่อนตัดของง่ายไปก่อนเพื่อไม่ให้มันโตมากตัดใบก่อนตัดกิ่งก่อนทําบุญทำทานก็ตัดใบรักษาศีลก็ตัดกิ่ง พอนั่งสมาธิได้ก็ตัดต้นความเจริญปัญญาได้เห็นอริยสัจสี่เห็นไตลักษณ์ก็ถอนรากถอนคนของภพชาติได้การนมรมการพระจ่ายรอบครับพอดีได้ศึกษาเรื่องประวัติสายพระป่ามาพอสมควรก็มีความรู้สึกว่าหลวงตามหาบัวเป็นรากฐานของหลวงกุมั่นในการปฏิบัติ เราก็ลงตามหาบัวท่านละสังขารผมไม่มีโอกาสได้ไปพบท่านได้มีโอกาสได้ไปงานของท่านเลยอยากจะรู้ว่าหลวงตามหาบัวท่านเขียนเสาหลักเล่มหนึ่งว่ามีแดเสาหลักกรรมฐานที่อยู่ในปัจจุบันท่านพระอาจารย์เป็นเสาหลักหนึ่งเลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าปฏิปทานที่หลวงตามหาบัวได้พาำสอนกับท่าน ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในหนึ่งวันกราบเพียนท่านช่วยอธิบายและก็ให้เป็นอุสโลบายกับลูกศิษย์ท่านนี้ด้วยครับ อ, อ๋อท่านก็สอนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกลูกก็สอนเหมือนกันสอนให้ทําบุญให้ละบาปให้ปฏิบัติธรรมให้เจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วการปฏิบัติในหนึ่งวันตื่นขึ้นมาเวลากี่โมง แล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ยังไงครับท่านอ๋อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแล้วแต่กําลังแล้วแต่ชั้นที่เราเรียนอยู่ <c oughs> เหมือนโรงเรียนอนุบาลก็เรียนไม่เหมือนกับปถมปถมกับมัธยมไม่เหมือนกันฉะนั้นผู้ปฏิบัตินี้ก็ไม่เหมือนกัน ถ้าพูดแบบพระก็พระตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยเดินขึ้นมาตีสี่ก็พุโทโธลงไปเดินจงกรมเพราะนั่งมันจะหลับก็เดินให้มันไม่ให้ง่วงก่อนพอเดินไม่ง่วงแล้ว ก, กลับมานั่งสมาธิจนถึงเวลาไปบินทบาทเวลาบินทบาทก็พุทธโธไปกลับมาบินทบาทเวลาฉันก็พุโทโธไปไม่ได้ปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้คอยควบคุมใจ ฉันก็พูดโธไปร่างบายก็พูดโทไปเช็ดบายก็พูดโทไปกวาดถูสาลาเก็บกวาดก็พูดโธไปเสร็จจิตก็กลับไปที่กุติก็ไปเดินจงกรมก็พูดโทไปเดินจนกระทั่งหายง่วงแล้วก็ไปนั่งสมาธิจนถึงบ่ายบ่ายก็ปัดกวาดใหม่ปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วก็ไปฉันน้ําปานะก็พุดโธพูดโทไปแล้วก็ไปอาบน้ําส่งน้ําส่งน้ําเสร็จก็มาเดินจงกรม นั่งสมาธิจนถึงเวลานอนสี่ทุ่มก็นอนพอนอนถึงตีสองหรือตีสามก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมนี่คือกิจวัตรของพระทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงทำอย่างนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับถ้าทำอย่างนี้รับรองได้กิเลสไม่มีวันที่จะซื้อเราได้เพราะเราบุกมันอย่างเดียวแต่ถ้าเรานั่งนั่งนอนนอ น, น, อนคิดถึงคน น, นั่นคิดถึงนี้ ห่วงนั่นห่วงนี่นะกิเลส ม, มันจะโบกเราแล้วล่ะอาเชียนกลับเรียนถามผอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเยน็นนี้มีอนิสงส์งอะไรก็เป็นการฝึกสติไนงะทำให้เรามีสติมีกำลังที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้มากขึ้นแล้วการที่เรามีความอยากแล้วเราตัดความอยากได้อะเจ้าค่ะ ใช่เป็นการตัดภพตัดชาติตัดภพตัดชาติให้น้อยลงเพราะความอยากนี้จะพาเราไปเกิดเรื่อยๆนี่ถ้าความอยากน้อยลงมันก็จะไปเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยถึงขั้นโสดาบันก็เหลือแค่เจ็ดชาติถ้าไม่ไม่ตัดความอยากเลยมันก็จะเกิดไปไม่รู้ที่ร้อยล้านชาติเกิดไปเรื่อยๆเจค่ะงั้นพยายามสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปจะตัดภพตัดชาติได้เจ้าค่ะ วันนี้คนเยอะหน่อยคนหลากหลายก็เลยค่อนข้างที่จะ อ, ออกเทบนิดหน่อยอมีคำถามมาไห ม, มค่ ะ, ค, ะคำถามจากคุณจอยทำอย่างไรให้ใจอโหงสิกรรมได้อย่างที่ปาพูดคะอ๋อก็ต้องทำเลยก็อย่าไปโกรธเขาเขาทำอะไรเราเราก็คิดว่ามันผ่านไปแล้ว เหตุการณ์มันก็เปิดขึ้นไปแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนความฝันเมื่อเช้นี้เราฝันลอยตื่นขึ้นมามันก็หายไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็หมดไปแล้วนั้นก็เวลามันจะคิดถึงมันก็ใช้พุทโธหยุดมันเสีเวลาจะโกรธเขาก็พุทโธหยุดเขาเสีต่อไปมันก็จะหายไปคาถามจากคุณสมเกียรต มีวิธีม้างกายทำอย่างไรครับมั่งกายเราก็ไม่รู้ความหมายว่าม้างกายเป็นไงแยกกายหรือว่าผ่ากายไม่ได้บอกพิจารณาร่างกายมั่งมั่งกายก็คือให้เห็นอาการที่เนะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะไรนะก็เคยของที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่เรามองไม่เห็นเราต้องม้างกายออกมาม้างกายให้เห็นกะโหลกศีรษะเนี่ยเราเห็นหน้ากันแต่เราไม่เห็นกะโหลกศีรษะ เราไม่เห็นกระดูกโครงกระดูกมีทั้งโครงอยู่เต็มล่างนีม่มองไม่เห็นต้องม้างกายต้องมองให้มันเห็นไม่เห็นหัวใจไม่เห็นปอดไม่เห็นตับไม่เห็นไตไม่เห็นลำไส้เราต้องฝึกหัดดูมันตอนต้นก็ไปเปิดหนังสือดูก่อนก็ได้หนังสือที่เขาผ่าศพก็ได้หนังสือที่นักศึกษาเขาเรียนกายภาคดูอวัยวะ ต, ต่างๆของร่างกายนะ ก็ดูแล้วก็เอามาคิดมานึกอยู่เรื่อยๆมาจดมาจำไว้นี่เรียกว่ามังกายหรือดูเวลาที่ร่างกายตายไปสมัยก่อนร่างกายตายไปเขาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าเดี๋ยวก็ขึ้นอืดเดี๋ยวก็เขียวช้ำขึ้นมามีสีดำสีเขียวขึ้นอึนดบางทีก็มีนกมีกามากัดกินไส้พุงมีสุนัขมีอะไรมา บาทีร่างกายก็กระจายไปแขนไปทางขาไปทางอันนี้เรียกว่าวิธีมั่งกายคือดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายของคนเราทุกคนต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจ้องต้องตายไปเพื่อเราจะได้ทําใจฝึกยอมรับความจริงอันนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่กลัว แต่ถ้ายังทําไม่ได้แสดงว่าใจเรายังไม่มีกําลังก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อนต้องฝึกสมาธิถ้ามีจิตมีสมาธิมันจะมีกําลังดูความจริงได้แต่ถ้าันไม่มีสมาธิมันจะถูกกิเลสคอยห้ามไม่ให้ไปดูความจริงมันจะบอกให้เรากลัวทาให้เราไม่สบายใจเวลาเราเห็นความจริงแต่เราไม่ดูความจริงต่อไปเวลาเกิดความจริงขึ้นมาเราจะทุกข์มาก แต่ถ้าเราดูอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะไม่ทุกข์เราจะชินกับมันคำถามจากคุณกิติยาการเจริญสติด้วยวิธีใดที่จะทำให้ทาได้ง่ายๆทำด้วยทาด้วยวิธีใดได้บ้างคะก็พุโทโธนี่แหละพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปหรือคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้อยู่กับร่างกายไปร่างกายเดินก็เดินไปกับร่างกาย อย่าเดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุดความคิดให้อยู่กับร่างกาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นการฝึกสติเจริญสติคำถามจากคุณทองใบพระอาจารย์คะถ้าเรานั่งไปนานๆตัวเบาเหมือนไม่มีร่างกายใช่แนวทางที่ถูกต้องไหมคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะก็นั่งต่อไปจิตข้าเริ่มค่อยสงบเข้าไปเรื่อยๆ ก็ให้พูดโธไปหรือดูลมไปจนกว่ามันจะวุบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็นั่งอย่างนั้นไปให้นานๆถ้ามันสงบมันนิ่งมีความสุขก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาคําถามจากคุณชัยข้อที่หนึ่งเวลาตักบาตรแล้วควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรดีครับจะอธิษฐานต้องอธิษฐานตอนก่อนใส่บาตร ก่อนจะใส่บาตรก็ให้ทิฐถามว่าขอให้ได้ใส่บาตรนี้ไปเรื่อยๆขอให้เราได้ใส่บาตรทำบุญไปอย่างนี้ทุกๆวันให้อธิษฐานอย่างนี้เราจะได้ติดเป็นนิสัยไปเดี๋ยวพอทาวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำอีกทไปเรื่อยๆให้อธิษฐานที่เหตุว่าเราขอให้เราได้ใส่บาตรมีโอกาสเมื่อไหร่ขอให้เราได้ใส่บาตรได้ทำบุญอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานส่วนพอใส่บาตรเสร็จแล้วนี่อุทิศบุญได้ ถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้ก็อุทิศให้กับคนที่ล่วงนับไปแล้วก็ก็คิดไปในใจเหมือนกับอธิษฐานว่าขออันธิอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงนับไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นคนที่เรารักก็ดีก็อุทิศไปให้เขาได้หลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วไม่ต้องมีน้ําไม่ต้องมีพระมาสวดนไม่ต้องมีพระมาให้พรอุทิศบุญได้ทันทีพอเราทําบุญใส่บาตรปั๊บบุญก็เกิดขึ้นแล้ว เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจซึ่งเป็นบุญที่เราสามารถแบ่งให้กับคนที่ตายไปได้ข้อที่สองเวลาไปวัดเข้าไปในโบสถ์เข้าไปไหว้พระแล้วควรอธิษฐานอย่างไรดีครับและการตั้งจิตอธิษฐานนั้นสำคัญชไหนครับคำ ว, ว่าตั้งจิตอธิษฐานก็คือความตั้งเป้าหมายของชีวิตเราว่าเราต้องการจะไปทิศทางไหนเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ตั้งเป้าไปสวรรค์ เหมือนวันนี้เราอยากจะมาที่นี่เราก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่ถ้าเราไม่ตั like point, ้งเป้าเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปที่น <anyone> like ู่นก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่แต่ถ้าเราตั้งเป้าว่าจะมาที่นี่ถึงแม้จะมีเพื่อนมาชวนก็บอกไม่ไปวันนี้ตั้งใจจะมาวัดอย่างเงี้ยความตั้งใจนี้เป็นเหมือนการตั้งเข็มทิศเนี่ยตั้งเข็มทิศของชีวิตของเราถ้าเราไม่ตั้งมันก็มันเดี๋ยวมันก็จะไปตามลมวันไหนคิดอยากจะทําอะไรก็ไปทําอย่างนั้น แต่ถ้าเราคิดว่าจะทำบุญอย่างเดียวจะไม่ทาไม่ไปเที่ยวไหนพอถึงเวลาจะใครมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปบอกจะไปทำบุญนี่คือประโยชน์คือเป็นการตั้งเป้าเหมือนกับที่เราตั้งเป้าตอนที่เราเรียนห MM นังสือเราก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเรียนให้จบปริญญาถ้าเราตั้งเป้าจะเรียนให้จบปริญญาเราก็ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจบปริญญาพอเราจบปริญญาเราก็ถึงเป้าหมาย ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายบางทีเรียนไปไม่กี่ปีจบม .6 ก็อาจจะเบื่อไม่อยากจะเรียนต่อก็ไม่ดักไม่ผลักดันตัวเองแต่ถ้าตั้งว่าจะ ต, ต้องไปเรียนปริญญาให้ได้ถึงแม้เวลาที่จะเบื่อก็อไม่หยุดคอยบังคับใจให้ไปเรื่อยๆเพรนั้นการตั้งเป้าหมายมันดีมันเป็นตัวที่จะทําให้เรามีจุดหมายปลายทางรู้จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไป เวลาเราเข้าโบทเราก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าจะขอปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจนวันตายพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรก็จะขอปฏิบัติอย่างนั้นไปจนวันตายสอนให้ทำบุญทาทานก็จะทำบุญทำทานสอนให้รักษาศีลก็จะรักษาศีลสอนให้ปฏิบัติสอนให้บวชก็บวชถ้าทำตามที่พทธเจ้าสอนได้เดี๋ยวก็ไปถึงนิพพานได้คาถามจากคุณพีโก ถ้ามีมรรคแอยู่กับตัวเราตลอดชีวและไม่ได้บวชแต่มีครูบาอาจารย์คอยสอบถามมีโอกาสสาเร็จพระเราหันไหมครับอ๋อถ้ามีมรรคแปดมันก็ต้องสาเร็จแล้วสิเพราะมรรคก็เป็นบันไดไงถ้ามีบันไดแล้วก็เดินขึ้นบันไดมันก็ถึงชั้นที่เราต้องไปคําถามจากคุณทูรูปปั้นพระพุทธเจ้ากับคนที่พระบวชอะไรคือตัวแทนพระพุทธเจ้าคะ ตัวแทนพระุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปหรอกตัวแทนพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรมคําสอนพระธรรมคําสอนที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปัสกากเราหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะผู้ที่จะเป็นเป็นตัวแทนของเราก็คือคําสอนพระธรรมวีัยที่เราสอนไปแล้วนี่แหละที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่จะว่าขาตัวพระกัตาธรรมโม อันนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาพระธรรมคําสอนเพราะเหมือนกับฟังเทศฟังธรรมนี่แล้วเขาอัดเสียงไว้ถ้าเราอยากจะฟังเราก็เปิดเราก็ได้ฟังเพีงแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องอัดก็เลยต้องอาศัยความจํากันพระพระที่เขาไปบวชเขาก็จําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงยุคที่เราสามารถบันทึกเป็นหนังสือได้ ถ้าพอเราอ่านหนังสือธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ก็เท่ากับเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยแต่ถ้ามีพระพุทธรูปนี้พระพุทธรูปพูดไม่ได้สอนไม่ได้หนังสือธรรมะนี้สอนได้ออีกสุดออีกสองคำถามคำถามจากคุณเคอาการที่บางคนไม่มีโอกาสศึกษาและฟังเทศฟังธรรมจะพัฒนาจาก ผู้ปฏิบัติไปเป็นผู้รู้ได้อย่างไรคะก็ต้องขวนขวายสิไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไม่ไม่หาการฟังเทศฟังธรรมนี้ทุกคนสามารถฟังได้เพราะทุกคนมีเวลาที่จะมาฟังกันอยู่ที่ว่าจะตั้งใจมาฟังหรือเปล่าถ้าไม่ตั้งใจไม่ตั้งอธิษฐานไว้มันก็ไม่มาแต่ถ้าตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะหาหนังสือธรรมะมาอา่านมันก็จะไปหาหนังสือมาอา่าน ทุกคนสามารถอ่านหนังสือธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้อยู่ที่ว่ามีความตั้งใจจะทำหรือไม่ถ้าไม่มีความตั้งใจก็ไม่มีว่าอ่านอ่านมีเวลาว่างก็เปิดทีวีดูเปิดเล่นเกมเล่นอะไรไปแต่ถ้าเราตั้งตั้ ง, ต, งตั้งจิตอธิษฐานมาต่อไปนี้เวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรจะไปเปิดหนังสือธรรมะอ่านต่อไปเราก็จะได้อ่านหนังสือธรรมะ เรได้อ่านเราก็จะได้เข้าเข้าหาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นยิ่งสมัยนี้อ่านเข้าหาพระพุทธเจ้าง่ายจะตายไปเนี่ย Google อยู่ในอยู่ในมือถือเนี่ยเขียนไปเลยธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโอ้โหขึ้นมาเป็นเยอะแยะเป็นหมดเลยอยากจะอ่านคําสอนบทไหนใส่ชื่อเข้าไปอยากจะรู้ว่ามักยปมมีอะไรบ้างใส่เข้าไปมันพุทธขึ้นมาเลย ช่วงนี้เราเรามีโอกาสที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ง่ายมากแต่เรากลับไม่เข้าหากันเรากลับเข้าไปหาตัวตลกหาตัวการ์ตูนหาตัวอะไรบ้าเบาคอแตกกันดูแล้วก็หวัวเราะกิ๊กกิ๊กกกันไปแต่ไม่ฉลาดเลยโง่ขึ้นอะไรคำถามหมนึ่งหมดหรือยังอ้าวคำถามสุดท้ายคําถามจากคุณตีระชาต รูปประพมมคืออะไรครับมีรูปกายหรือไม่ครับ อ, อ๋อพรมนี่ไม่มีรูปพรมเป็นผู้ที่เข้าถึงรูปประชานถ้าเข้ารูปประชานได้ก็เป็นจิตที่สงบที่ที่นิ่งมีรูปประชานแล้วก็มีอรูปประชานเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ